38กันตกะวัตถุว่าด้วยสมณเณรกันตกะ101สมัยนั้นท่านพระอุปนันทสกยบุตรมีสมณเณรอยู่สองรูปคือสมณเณรกันตกะและสมณเณรมหกะเธอทั้งสองชอบรังแกกันและกันภิกษุทั้งหลายจึงพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าชไนสมณเณรทั้งสองจึงได้ประพฤติไม่สมควรเช่นนี้เล่าแล้วจึงนําเรื่องนี้